บุคลภาษาทศว่าด้วยความเลื่อมใสเฉพาะบุคคลภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลมีโทษหประการนี้โทษหประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลผู้เลื่อมใสในบุคคลที่ต้องอาบัตเป็นเหตุให้สงยกวัดมีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเรานี้ถูกสงยกวัดเสียแล้ว จึงไม่เลื่อมใสในภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่เลื่อมใสในพิกษุทั้งหลายจึงไม่คบภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ฟังสัตรธรรมเมื่อไม่ฟังสัตธรรมจึงเสื่อมจากสัตธรรมนี้เป็นโทษของความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลประการที่หนึ่งสงบุคคลผู้เลื่อมใสในบุคคลที่ต้องอาบัตเป็นเหตุให้สงสั่งให้เขานั่งท้ายมีความคิดอย่างนี้ว่า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 บุคคลผู้เลื่อมใสในบุคคลที่ลาสิกขามีความคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจของเรานี้ได้ลาสิกขาไปแล้วจึงไม่คภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ฟังสัตยธรรเมืม่อไม่ฟังสัตยธรรมจึงเสื่อมจากสัตวธรรมนี้เป็นโทษของความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลประการที่ส 5. บุคคลผู้เลื่อมใส ใ, ในบุคคลที่ตายแล้ว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 ปุคลปภาษาทสูตรที่10จบทุจริตวักที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมมทุจริตสูตร 2. ปฐมกายทุจริตสูตรสาปฐมวจีทุจริตสูตรสปฐมโมทุจริตสูตร 5. ทุติยทุจริตสูตรห 6. ทุติยกายทุจริตสูตร 7. ทุติยวจีทุจริตสูตรแปทุติยะมโนทุจริตสูตร 9. กสีวติกะสูตร 10. ปุคละภาษาธสูตรปัญจมะปัญ น, นา จ, จบ ปสมปธาวรกหมวดว่าด้วยการอุปสมบทหนึ่งอุปสมปเทตัพสูตว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการเพื่ให้คุณระบุอุปสมบทได้ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์ที่เป็นอาศะ่ะ 2. เป็นผู้ประกอบด้วยสมาธิขันธ์ที่เป็นอาศะ่ะ 3. เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาขันธ์ที่เป็นอาศะสี่เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุติขันธ์ที่เป็นอาศะ่ะ 5. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุติญาณทัศน์ขันธ์ที่เป็นอเค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมประการนี้แล เพิงให้คุณบุตรอุปสมบทได้อุปสัมปะเทตัพสูตรที่หนึ่งจบ 2. นิสยสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการพึงให้นิสัยได้ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. นเป็นผู้ประกอบด้วยศีลขันธ์ที่เป็นอเศะและถึง 5. เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุติยานัทสนะขันธ์ที่เป็นอาศะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลพึงให้นิสัยได้ นิสยสูตรที่สองจบ 3. สามนเณรสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามนเณรอุปถากภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้ธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เป็นผู้ประกอบด้วยสีละขันธ์ที่เป็นอเศะและถึงห้า เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุติยานทัศนะขันธ์ที่เป็นอเซขะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลพึงให้สั ม, มนเนอุปถาคได้สั ม, มนเนะสูตรที่3จบ 4. ปัญจมัชิ์รยสูตร ว่าด้วยความตรนีห้าประการภิกษุทั้งหลายความตรณีห้าประการนี้ความตรณีห้ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรณีอาวาส 2. ความตรณีตรูล 3. ความตรณีลาบ 4. ความตรณีวันณะ 5. ความตรณีธรรมภิกษุทั้งหลายความตรณีห้ประการนี้แหล บรรดาความตรนีห้าประการนี้ความตรหนีธรรมน่าเกลียดที่สุดปัญจะมะชัชยริยะสูตรที่สี่จบ 5. มชัชยริยะปหาณสูตรว่าด้วยการละความตรนีภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่พระพฤกษพรมจรเพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งความตรนีห้าประการความตรนีห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่ง ความตรณีอาวาส 2. ความตรณีตระกูล 3. ความตรณีลาบ 4. ความตรณีวันนะ 5. ความตรณีธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดขาดซึ่งความตรณี5ประการ น, นี้แลมัชฌริยปหาณสูตรที่5จบ ปฐมฌานสูตรว่าด้วยปฐมฌานภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำห้าประการไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรนีอาวาส 2. ความตรนีตระกูล 3. ความตรหนีลาบ 4. ความตรนีวันณนะ 5. ความตรนีธรรม ภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำห้าประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำห้าประการได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรนีอาวาส 2. ความตรหนีตระกูล 3. ความตรหนีลาบ 4. ความตรหนีวันนะ 5. ความตระหนี่ ร, รมภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำห้าประการนี้แลได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ปฐมฌานสูตรที่6จบ 7. ถึง13 ทุติยชานสุตตาทิสตะกะว่าด้วยสูตรเจสูตรมีทุติยชานสูตรเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำห้าประการไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุทุติยชาญอยู่ได้ละถึงตติยชาญจตุทชาญละถึงก็ไม่อาจทำให้แจ้งโสดาปฏิผลได้สกะทาคามิผลอนาคามิผล ละถึงก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำา5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรนีอาวาส 2. ความตรนีตะกูล 3. ความตรนีลาบ 4. ความตรนีวันะ 5. ความตรนีธรรมภิกสุทั้งหลายภิกสุยังละทำห้5ประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุละทาหาประการนี้ได้แล้วจึงอาจบรรลุทุติยฌานอยู่ได้ละถึงตติยฌานจะตุทะฌานละถึงจึงอาจทำให้แจ้งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลละถึงจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทาห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรณีอาวาส 2. ความตรณีตรกูล 3. ความตรณีลาบ 4. ความตรณีวันนะ 5. ความตรณีธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม5ประการนี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทุติยชาณสุตาที่สั ต, ตกะที่7ถึง13จบ สิสอปรปรปฐมฌานสูตรว่าด้วยปฐมฌานอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำห้าประการไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ความตระหนี่อาวาส 2. ความตระหนี่ตะกูล 3. ความตระหนี่ลาบ 4. ความตระหนี่วันนะ 5. ความอากตันยูความอากะตะเวทีภิกสุทั้งหลายพิกสุยังละทำห้าประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้พิกสุทั้งหลายภิษุละทำหประการได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ทำห้ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรณีอาวาส 2. ความตรณีตระกูล 3. ความตรณีลาภ 4. ความตรณีวันนะ 5. ความอกตันยูความอา ก, ะ ต, มอกะตะเวทีภิกษุทั้งหลายภิกษุละทรห้าประการนี้แลได้แล้วจึงอาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้อปรปรพฐมฌานสูตรที่14จบ 5้ถึง 21. อประตุติยชาณสุตตาธิว่าด้วยทุติยชาณสูตรเป็นต้นอีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละทำห้าประการไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุทุติยชาญอยู่ได้ละถึงตติยชาญจะตุทชาญก็ไม่อาจทำให้รู้แจ้งโสดาปติพลได้ สกทาคามิผลอนาคามิผลและถึงก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ทำห้ประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรณีอาวาส 2. ความตรณีตระกูล 3. ความตรณีลาบ 4. ความตรณีวันนะ 5. ความอากตัญยูความอากตะเวทีพิกษุทั้งหลาย ภิกษุละธรรมประการนี้แลไม่ได้ก็ไม่อาจบรรลุปฐมฌานอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรมประการได้แล้วจึงอาจบรรลุทุติยฌานอยู่ได้ละถึงจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ธรรมประการอะไรบ้างคือ 1. ความตรนีอาวาส 2. ความตรหนีตรูล 3. ความตรหนีลาบ 4. ความตรณีวันนะ 5. ความอากตันยูความอากตะเวทีภิกษุทั้งหลายภิกษุละทำหประการนี้แลได้แล้วจึงอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้อประทุติยชาณสุตตาทิที่1 5ถึง21จบอุปสมประทาวัตรที่6จบ สมุติปยานหนึ่งพัตุเทสกสูตรว่าด้วยภิกษุพัตุเทสกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการสงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นพัตุเทศกธรรมห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งลำเอียงเพราะชอบสองลำเอียงเพราะชังสามลำเอียงเพราะหลง 4. ี่ลำเอียงเพราะกลัว 5. ไม่รู้จักพัตตาหารที่แจกแล้วและพัตตาหารที่ยังมิได้แจกภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลสงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นพัตตุเทศกะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการสงพึงแต่งตั้งให้เป็นพัตตุเทศกะธรรมห้าประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชังสไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักพัะตาหารที่แจกแล้วและพัะตาหารที่ยังมิได้แจกภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลสงพึงแต่งตั้งให้เป็นพัตุเทสกะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการ สงฆ์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นพระตุเทสกะถึงแต่งตั้งแล้วก็ไม่พึงส่งไปละถึงสงฆ์แต่งตั้งแล้วพึงส่งไปพึงทราบว่าเป็นพานพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตบริหารตนให้ถูกกาจัดถูกทาลายบริหารตนไม่ให้ถูกกาจัดไม่ให้ถูกทำลายละถึงย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำหประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักพระตาหารที่แจกแล้วและพระตาหารที่ยังไม่ได้แจกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นพระตุเทศกะ ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้พระตุเทศกะสูตรที่หนึ่งจบ2อถึง เสนาสนะปัญญาปะกะสุตตาธิว่าด้วยภิกษุเสนาสนะปัญญาปะกะเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการสงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นเสนาสนะปัญญาปะกะละถึงไม่รู้จักเสนาสนะที่จัดแจงแล้วและเสนาสนะที่ยังไม่ได้จัดแจงละถึงสงพึงแต่งตั้งให้เป็นเสนาสนะปัญญาปะกะ ละถึงรู้จักเสนาสนะที่จัดแจงแล้วและเสนาสนะที่ยังไม่ได้จัดแจงและถึงสงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นเสนาสนะคหาปะกะละถึงไม่รู้จักเสนาสนะที่จัดแจงแล้วและเสนาสนะที่ยังไม่ได้จัดแจงละถึงสงพึงแต่งตั้งให้เป็นเสนาสนะคาหาปะกะละถึงรู้จักเสนาสนะที่จัดแจงแล้ว และเนสนาสนะที่ยังไม่ได้จัดแจงละถึงสมม ง, ง, าา ง, ไงไม่ไมมพึงแต่งตั้งให้เป็นพันธ า, าริกะละถึงไม่รู้จักพันธะที่เก็บแล้วและพันธะที่ยังไม่ได้เก็บละถึงสงพึงแต่งตั้งให้เป็นพันธาริกะละถึงรู้จักพันธะที่เก็บแล้วและพันธะที่ยังไม่ได้เก็บละถึงรงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็น จีว uh รปฏิคาหกะละถึงไม่รู้จักจีวรนที่รับไว้แล้วและจีวรที่ยังมิได้รับไว้ละถึงทรงพึงแต่งตั้งให้เป็นจีวรปฏิคาหกะละถึงรู้จักจีวรนที่ได้รับแล้วและจีวรนที่ยังมิได้รับ <ota> <Podcast> ละถึงสงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นจีวรภาชกะละถึง ไม่รู้จกักจีวอนที่แจกแล้วและจีวอนที่ยังไม่ได้แจกและถึงสงพึงแต่งตั้งให้เป็นจีวระภาชกะและถึงรู้จักจีวอนที่แจกแล้วและจีวอนที่ยังมิได้แจกและถึงสงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นยาคุพาชกะผู้แจกเข้าต้มและถึงสงพึงแต่งตั้งให้เป็นยาคุพาชกะและถึง สงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นพระภาชกะผู้แจกผลไม้ละถึงสงพึงแต่งตั้งให้เป็นพระภาชกะละถึงสงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นขจกะพาชกะผู้แจกของขบฉันละถึงไม่รู้จักของขบฉันที่แจกแล้วและของขบฉันที่ยังไม่ได้แจกละถึงสงพึงแต่งตั้งให้เป็นขจกะพาชกะ ละถึงรู้จักของขบฉันที่แจกแล้วและของขบฉันที่ยังไม่ได้แจกละถึงสงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นอปมัตตกะวิสัชกะผู้แจกของเล็กน้อยละถึงไม่รู้จักของเล็กน้อยที่แจกแล้วและของเล็กน้อยที่ยังไม่ได้แจกละถึงสงพึงแต่งตั้งให้เป็นอปมัตตกะวิสัชกะละถึง รู้จักของเล็กน้อยที่แจกแล้วและของเล็กน้อยที่ยังมิได้แจกและถึงสงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นสาติยะคหาปะกะผู้ให้รับผ้าสาดกและถึงไม่รู้จักผ้าสาดกที่รับแล้วและผ้าสาดกที่ยังมิได้รับและถึงสงพึงแต่งตั้งให้เป็นสาติยะคาหาปะกะและถึง รู้จักผ้าสาดกที่รับแล้วและภ้าสาดกที่ยังมิได้รับละถึงสงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นปตะคาหาปกะผู้ให้รับบาตรละถึงไม่รู้จักบาตรที่รับแล้วและบาตรที่ยังมิได้รับละถึงสงพึงแต่งตั้งให้เป็นปัตะคาหาปกะละถึงรู้จักบาตรที่รับแล้วและบาตรที่ยังมิได้รับละถึง สงไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นอารามะเปสกะผู้ใช้คนวัดละถึงไม่รู้จักคนวัดที่ใช้แล้วและคนวัดที่ยังมิได้ใช้ละถึงสงพึงแต่งตั้งให้เป็นอารามะเปสกะละถึงรู้จักคนวัดที่ใช้แล้วและคนวัดที่ยังมิได้ใช้ละถึงสง์ไม่พึงแต่งตั้งให้เป็นสามเนระเปสกะผู้ใช้สามเนิน ละถึงสงพึงแต่งตั้งให้เป็นสมเนรปเปสกะละถึงถึงแต่งตั้งแล้วก็ไม่พึงส่งไปละถึงสงแต่งตั้งแล้วพึงส่งไปพึงทราบว่าเป็นพานละถึงพึงทราบว่าเป็นบัณฑิตละถึงบริหารตนให้ถูกกำจัดถูกทำลายบริหารตนไม่ให้ถูกกำจัดไม่ให้ถูกทำลายละถึง ย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ละถึงไม่รู้จักสัมมณเนรที่ใช้แล้วและสัมมนเนรที่ยังไม่ได้ใช้ละถึงย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำห้ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ลําเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลําเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลําเอียงเพราะกลัว 4. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 5. รู้จักสัมมณีนนที่ใช้แล้วและสัมมณ น, นที่ยังมิได้ใช้ภิกษุผู้เป็นสัมมณระเปสกะประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้เซนาสนะปัญญาปะกะสุตาธิที่ 2-14 ถึงบสี่จบสมุติปย า, ยานจบ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 สเป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้เสพของเหมือนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้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 ภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ภิกขุสูที่หนึ่งจบสองถึงเจ็ดภิกขุนีสุตตาธิ ว่าด้วยภิกษุณีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุณีประกอบด้วยธรรมหประการละถึงสิกขมานาสามนเณรสามนเณรีอุบาสกอุบาสิ ก, กาประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนําไปฝังไว้ธรรมหประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้เสพของเหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์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 ภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้พิกุนีสุตาธิที่สองถึงเจ็ดจบ ชวะกะสูตรว่าด้วยอาชีวภิกษุทั้งหลายอาชีวกประกอบด้วยธรรมหประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฟังไวธรรมหประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. เป็นผู้ลักทรัพย์ 3. เป็นผู้ประพฤติผิดพรหมจรรย์ 4. เป็นผู้พูดเ ท, ท็จ 5. เป็นผู้เสพของเหมือนเมาคือสุราและเมรยัย อันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายอาชีวกประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แหลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้อาชีวกะสูตรที่แปดจบเกถึงสเจนิคันธาสุตาธิว่าด้วยนิครนเป็นต้นภิกษุทั้งหลายนิครนประกอบด้วยธรรมห้าประการละถึง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 หเป็นผู้เสพของเหมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายเทวธรรมิกะประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้นิคันธะสุตาธิที่9ถึง17จบสิกขาพะทะไปยานจบ ราคะปียานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคลคลควรเจริญทำห้าประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัดทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. อสุภสัญญา 2. มรณะสัญญา 3. าอธินวะสัญญา 4. อาหาเรปฏิกูลสัญญา 5. สัพพโลเกอณพิรตสัญญา ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำห้ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำห้ประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำห้ประการอะไรบ้างคือ1อนิจจสัญญา 2- อนัตตสัญญา3มรณะสัญญ า, ญญา4่อาหาเรปติกูลสัญญา หสัพพโลกเก อ, อนาพิรตสัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำห้าประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำห้าประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. อานิจจสัญญา 2. องนิจเจทุคขสัญญา 3. ทุเข อ, อนาตะสัญญา สปหาณสัญญา 5. วิราคะสัญญาภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญทำห้าประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญทำห้าประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำห้ประการอะไรบ้างคือ 1. สั ต, สต4 4. สทินสีสองเริยินสีสาสตินสีสีสมาธินสี 5ปัญญีสภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำห้าประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำห้าประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำห้ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาภละ 2. วิริยะภละสาสติภละ 4. สมาธิภละ 5. ปัญญาภละ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 เพื่อความสละราคาเพื่อความสละคืนราคาละถึงโทสะความคิดประทุสร้ายโมหะความหลงโกทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักขะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัฉริยะความตรนีมายามานยาสาเถยยะ ความโอ้โอวดถามพะความหัวดือ้อสารัมพะความแข็งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมินมทะความมัวเมาประมาทะความประมาททำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ศึ่งจตทาภละสองวิริยะภละสสติภละสสมาธิภละ 5. ปัญญาภละภิกษุทั้งหลายบุคคลควรจเจริญทำห้ประการนี้เพื่อความสละคืนปรมาทะราคะไปยานจกรวมธรรมที่มีในไปยานนี้คือธรรมสิบประการนี้คือ 1. อภินยาความรู้ยิ่ง 2. ปริญญาการกำหนดรู้ 3. ปริขยาความสิ้น 4. ปหาณะการละ 5. ขยะความสิ้นไป 6. วยะความเสื่อมไป 7. วิราคะความคลายไป 8. นิโรธะความดับไป 9. าจาคะความสละ 10. ปฏินิสักคะความสละคืนปัญจกนิบาตจบบริบูรณ รวมวักที่มีในปัญจกะนิบาทนี้คือ 1. เซขพภละวักสอภละวักค 3. ปัญจังคิกะวักสีสุมนณวักห้มุนทราชวักห 6. นิวรณวักเ 7. สัญญาวักแปโยธาชีววักเกเทรวักส 10. กกุธวักสิ1เาสุวิหารวักสิบออันทกะวินทวักส 13. คิลานวัรค 14. ราชวร1สิบติกการทกีวักสศัทธมวรก 17. บอาคาตะวักสิบอุปาสกาวรกสิบอรัญญวรกยีพรามณวัก 21. กิมพิละวัค์ 22. อโกสกวัก 23. ทีขจาริกะวัค 24. อาวาสกะวัค 25. ทุจริตวัก์ 26. อุปสัมปทาวักษ์